ขอการส่งวัดธรรมรามซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระประยาวิเทศประธานส่งนที่นี้เป็นต้นเป็นประธานขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านรายการวันนี้เจ้าของเรื่องก็นั่งอยู่ตรงนี้ท่านพระครูสีภาวนา วิเทศท่านอาจารย์ชูท่านขอให้มาพูดเรื่องอะไรแก่ๆกะอุสาห์เปลี่ยนชื่อแล้วก็ยังพูดอยู่นี่ดูไปดูมาก็น่าจะพูดเรื่องนี้แหละเพราะดูมหน้าคนฟังดูมทั้งคนพูดด้วยแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตมาตั้งแต่มาพูดเมื่อสาสิปีที่แล้ว ก็ผู้ที่มาฟังก็หน้าตายอย่างนี้แหละส่วนผู้ที่ไม่มานี่ไม่ทราบว่าไปไหนในวันนี้อาจจะเป็นรายการซึ่งท่านกำหนดให้เราเรียกว่าธรรมศากัจฉาปกติจะเป็นธรรมสวรรแปล ว, ว่าฝังธรรมบรรยายธรรมส่วนธรรมศากัจฉาหมายถึงการสนทนาธรรม ที่มีการถามตอบเรียกว่าดอะล็อกซึ่ง mm hmm. จะถามมากถามน้อยก็อยู่ที่คนคุมมไม่ mm hmm. เขาจะส่งให้ใครใครพวกเดียวกันอะไรเนี้ย mm hmm. แล้วก็ส่วนผู้ตอบถามอะไรตอบได้หมดรู้ก็ตอบได้ไม่รู้ก็ตอบได้ว่าไม่รู้หรือรู้แต่ไม่ตอบเขาเรียก ว่า confidential หรือ classify ห้าสิปีแล้วค่อยมารู้กันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ทีนี้หัวข้อที่ตั้งไว้เนี่ยและท่านอาจารย์พระครูบรญชูท่านปารกว่าไม่ดีเลยที่แก่นี่นะก็ให้ข้อมูลสองเรื่องก่อนเรื่องแรก ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับโดย Who Who t e l g a n i z a t i o n ว่าเป็นประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยวกหมายความว่าคนไทยเมื่อเข้าสู่สังคมที่สูงวัยเนี่ย 25% ของคนไทยเป็นคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไป เพราะฉะนั้นเฮลส์แคร์อะไรต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องรัฐบาลจะต้องจัดสรรแล้วก็ในอาเซียน10ประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงไวัยไปแล้วคือสิงคโปร์ประเทศที่สองคือไทยแลนดะ์เพราะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ที่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยเป็นขับ พูดอย่างนี้ก็คือเป็นศูนย์ของเฮลส์แคร์ในอาเซียนแล้วก็ในเอเชียประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยแห่กันมารักษาการแพทย์เนี่ยนะที่ประเทศไทยการแพทย์ที่จะเริ่เนี่ยทำให้ประเทศไทยได้เรียกว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุาได้เร็วกว่าประเทศอื่นในอาเซียนนี่คือข้อมูลแรก ข้อมูลที่สองก็คือมีการทำวิจัยในระดับโลกถามคนเป็นแสนคนเขาถามว่าให้ประเมินชีวิตของตัวเองอในแต่ละวัยนะว่าตอนหนุ่มสาวกลางคนแล้วก็ถึงวัยชราเนี่ย ช่วงไวัยไหนเป็นวัยที่มีความสุขมากที่สุดเขาถามแล้วให้คนทั่วโลกตอบผลที่ออกมาก็คือในช่วงวัยรุ่นหรือหนุ่มสาวเนี่ยมันมีความแข็งแรงแต่มันมีความคาดหวังสูงเพราะฉะนั้นโอกาสผิดหวังมันเยอะมันไม่ได้ดังใจ มันชอบผจญภัยชอบอะไรนะต่างๆเทนี้โอกาสที่จะสมใจนี่มันมีน้อยเพราะฉะนั้นความสุขมันก็วูบวา่ามันขึ้นขึ้นหลงๆแต่พอวัยกลางคนเนี่ยจะเป็นวัยที่สตรสมากภาระครอบครัวการแข่งขันในที่ทำงานความรับผิดชอบต่อ สมาชิกอะไรมันสูงแทนที่จะเป็นวัยที่แข็งแรงมีความสุขกลับเป็นวัยที่มีความเครียดสูงทุกขมากที่สุดในช่วงตีเซว่าที่เราเรียกกันว่าวัยทองห้าสิบเนี่ยจะเป็นวัยที่มีความทุกข์เยอะในเฉลีย่ยแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอหกสิบไปแล้วยิ่ง อายุสูงขึ้นสูงกว่าหกสิบปยิ่งตอบว่ามีความสุขมากความสุขฟังอีกครั้งความสุข happiness เพราะฉะนั้นหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยจะเป็นวัยที่มีความสุขมากที่สุดในบรรดาชีวิตทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น ยิ่งอายุมากท่านยิ่งมีความสุขอย่าไปกลัวแกเออแต่ว่าอยู่ให้ถึงก็ริ่มกันเอ <Okay. S 1> เออยู่ให้ enjoy life <c oughs> ในวัยนี้คำ <c oughs> ถามทำไมทำไมคนที่สูงวัยจึงมีความสุขมากกว่าวัยอื่นๆ เขาก็วิเคราะห์ว่าเพราะคนมีความสุขเนี่ยมันมาจากการสมหวังภาษาพระเขาเรียกว่ายํยำปิดฉังนรภติตัมปิทุกขงังปราถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์ความทุกข์มันมาจากความไม่สมหวังความผิดหวัง ไว้อื่นเนี่ยจะตั้งความหวังไว้สูง <c oughs> เพราะแข็งแรงเพราะฉลาดเพราะอะไรต่างๆกว่าจะสมหวังแต่ละเรื่องกว่าจะสุขแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีแอดเวนเจอร์คนหนุ่มสาวนี่จะมีความสุขแต่ละครั้งนี่แพง จะแต่งงานให้มีความสุขเหมามมนทั้งโรงแรมไหเที่ยวให้มีความสุขต้องไปโดดล่มบัญชีจำตายพอดี <c oughs> มันแพงแต่พออายุ ม, มากเนะี้ยข้าวจานเดียวก็มีความสุขแล้วลูกหลานมาให้เห็นหน้าวันสงกรานใช่ไหมตัวเองอาจจะไม่ได้กินอะไรเลยนะ มีความสุขเอาอาหารมาถวายพระท่านชันเยอะๆเห็นพระฉันก็มีความสุขแล้วตัวเองไม่ได้กินคือรู้จักประมาณตนรู้จักจำกัดขอบเขตแข่งสุขภาพอะไรก็ตามความคาดหวังที่จะมีความสุขเพราะเรื่องยากๆนี่มันลดลง เริ่มรู้จักหาความสุขกับสิ่งง่ายๆ simple life แค่มาวัดมาเห็นหน้ากันก็มีความสุขแล้วจริงไหมออทำบุญเยอะๆ <c oughs> มีความสุขช <c oughs> น, น, น, น, นะนะประธานกระถินนะ <c oughs> ฉะนั้นไม่ จริงๆคือเป็นธรรมชาติบรรสอนให้รู้จักทำใจนั่นเองแล้วทำใจให้สอดคล้องก็คือคนในในช่วงสูงวัยเนี่ยมันผ่านชีวิตมาเยอะมันรู้อะไรควรคาดหวังอะไรไม่ควรคาดหวังมีความฉลาดเพราะฉะนั้นเมื่อฉลาดก็จะรู้ว่าทำอย่างไรให้มันสุขง่าย คนสูงวัยจึงสุขง่ายแต่ทุกยากป่วยนะอย่างพวกคนสูงวัยนี่ป่วยรับได้แต่คนหนุ่มสาวลงมาป่วยขนาดนี้เนี่ยเกือบตายนะมันเครียดไอ้เราเนี่เจอมาเยอะแล้วยิ่งวันนี้ยังเจอผ่าตัดมาหลายรอบแล้วแค่นี้เขาเรียกว่าทุกมันยากขึ้นแต่สุข มันง่ายขึ้นฉะนั้นมันก็เลยมี movement ในโลกนี้ที่เขากำลังพูดกันก็คือ slow life นะใช้ชีวิตอย่างเขาเรียกว่าริทึมเนี่ยมันช้าลงแต่ให้ appreciate ให้ซึมซับสิ่งดีงามในชีวิตเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ในปัจจุบนันแล้วก็สอดคล้องกับ ธรรมะที่จะพูดนั่นเองจริงๆความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วัยอย่างเดียวหรอกมันอยู่ที่เมื่อเราผ่านชีวิตมามากเราเรียนรู้ธรรมะโดยชีวิตของเรานั่นแหละคือรู้วิธีทําใจที่จะจัดการกับปัญหาที่จะอยู่ให้มันสอดคล้องจึงจึงไม่แปลกที่ในช่วงท้ายๆของชีวิตของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ย ท่านจะสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเพราะมันสอนคล้องกับชีวิตของท่านด้วยในเวลาในวัยอย่างเนี้ยคนนุ่นสามอาจจะไม่คิดนะเรื่องของว่าจะมีความสุขเพราะความพอเพียงได้อย่างไรเข้าใจได้ยากกว่าแต่ธรรมชาติของชีวิตเนี่ยเมื่อรู้จักพอเมื่อรู้จัก slow life ช้าลงเนี่ยมันทาให้การคาดหวัง เรื่องอะไรต่างเนี่ยมันสอดคล้องกับความเป็นจริงสรุปคําสอนในศาสนาสังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาโดยสรุปชีวิตที่มีอุปาทานขันห้าเป็นทุกขันห้าคือชีวิตเมื่อมีอุปาทานเข้าไปยึดติดมันจะทุกข ปกติจะป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาจะจนก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติของชีวิตแต่เราไปยึดมั่นว่าอย่าป่วยอย่าจนอย่าเจ็บอย่าจากเราไปฝืนเราไม่สามารถทำใจให้มันสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่อย่างไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมันไปฝืนมันก็เลยทุกข์มันก็เลยเครียดเหมือนเข็นคก เห็นครงขึ้นภูเขาแต่การผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะๆเนี่ยเมื่อสูงไวขึ้นเนี่ยเราจะเรียนรู้เองอะไรที่ต้องเล็ดโก้ต้องปล่อยอะไรที่พอจะควบคุมได้มันก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยมันสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นไม่ฝันลมๆแรงๆเหมือนแต่ก่อน ธรรมชาติมันสอนมันถึงได้ที่เขาวิเคราะห์ว่าทำไมยิ่งสูงวัยแล้วมีความสุขมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอกแค่นี้แหละเพราะธรรมะในใจนี่เองซึ่งมันเป็นโดยที่ธรรมชาติมันสอนทีนี้มาถึงประเด็นว่าแล้วเราจะอยู่อย่างไรให้มันสอดคล้องมันมีความสุขอย่างที่ว่า ท่านก็บอกว่าเมื่อเราประสบปัญหาชีวิตในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเช่นเจ็บป่วยสูญเสียสูญเสียนี่ไม่เขาจากเราเราจากเขาตายจากไปหรือแยกกันหรืออะไรก็ตามหรือของพังหรืออะไรเนี่ยการสูญเสียการเจ็บป่วยมันเป็นอนิจจังเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติ เปรียบเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกศรมาหนึ่งดอกแล้วคนถูกยิงนั้นควรจะเอาลูกศรนีนออกเพื่อไปรักษาไม่กลับทำให้ตัวเองถูกยิงซ้ำอีกดอกหนึ่งเป็นดอกที่สองไอ้ดอกที่สองมาจากไหน มาจากเราเนี่ยทาร้ายตัวเราเองเมื่อเราสูญเสียเมื่อเราเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องทางกายแต่เราซ้ําเติมด้วยหลักสอนดอกที่สองด้วยการด้วยความคิดในเชิงลบว่าทําไมต้องเป็นเราทําไมเราต้องโชคร้ายทําไมเพื่อนมันแข็งแรงรุ่นเดียวกันแข็งแรงกว่าเรามันเริ่มคิด ซ้ำเติมตัวเองเมื่อล้มละลายการสูญเสียเงินทองเป็นเรื่องปกติแต่บางคนผูกคอตายทั้งๆ ท, ที่ยังมีบ้านมีครอบครัวยิ่งตายหมดเพราะมาซ้ำเติมตัวเองว่าทำไมต้องเป็นเราการซ้ำเติมตัวเองนี่แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์มากท่านเรียก่อุ ป, ปาทาน เป็นลูกศรดอกที่สองถ้าเมื่อใดเราหยุดอยู่แค่ลูกศรดอกที่หนึ่งแก่ก็ให้มันแก่เจ็บก็ให้มันเจ็บจะตายก็ให้มันจะตายไม่ส้ำเติมตัวเองเมื่อนั้นเราจะเผชิญกับสิ่งต่างๆด้วยความทุกน้อยลงอันนี้ก็คือ คำสอนในพระพุทธศาสนาโดยสรุปนั่นเองที่เอามาเตือนมาให้เรามีความสุขอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทีนี้เข้ามาอีกงวดมาอีกและเราสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีเราปรับปรับใจเนี่ยไม่ทัน เพราะมันเปลี่ยนเนี่ยมันมันช็อกนะไม่ได้ทำใจไว้ก่อนอยู่ๆเอามาจากกันอยู่ในสนามฟุตบอลอยู่ดีๆขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแบบๆเอาไปตกอยู่ตรงนู้นนึกถึงยับย้เนี่ยทำใจกันยังไงเพื่อบายๆกันเจ้าสัววิชัยอาตมา ได้รับนิมนต์ไปสวดวันเกิดเขาหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยคิดจะไปหรอกแต่รู้จักกันพอมาปีนี้เขาอายุหกสิบซยิดคนจริงเขาซยิดใช่ไหมเอาไปให้สักหน่อยถ้ามาไปสวดวันเกิดนะหกสิบปีใครจะนิมนต์อีกไหม <c oughs> ไม่เอาเลยหรอ <c oughs> ไปหลายองค์ช่วยกัสนสวด อย่างมันลงเนี่ยแตมาคนเดียวสิก็เหมือกับไปลากันอะ <c oughs> ไปเห็นรู้จักกันเดีไม่เคไม่เคยไปงานให้สักทีไม่ใช่เล่นตัวมันไม่ว่างตรงงานแต่ครั้งนั้นต้องทำให้ว่างเพราะเขาหกสิบไปที่บริษัทคิงเพาเวอร์เพราะฉะนั้นก็ก็จะมีความรู้จักคุ้นเคยแหมเล่าอีกสักนิด ที่<ม>วัดอาตมาเนี่ยมีพิธภัณฑ์พระพิพิธภัณฑ์พระที่ที่อยู่ในกลุ่นะเอาลงมาจากเกดีทำไว้อย่างในห้องใหญ่เลยของมีค่าทั้งนั้นแต่ขาดไฮไลท์อาตมาจำได้เวลาไปฟิล์มิวเซียมเนี่ยเขาจะทำดอยนงสองตัวใหญ่ไว้ใช่ไหมและอาตมา อยากได้สักองค์ใหญ่ๆมาตั้งอยู่ในเพจพันตัตมานอกั้นส่วนมากจะเล็กๆคืออย่างนี้แค่นี้นะพระบูชาบ้างอะไรวันหนึ่งคุณโยมสูงอายุแล้วอายุสักเก้าสิบแหละมหาอัตมาเอารูปภาพมาให้ดูบักท่านจะเอาพระพุทธรูปมาถวายตาก็ดู ดูในรูปอคงจะสูงสักคืบหนึ่งท่านจะรับไหมเป็นพระเก่าเขาก็มีหนังสือหลักฐานว่าเป็นอย่างไงเป็นพระปางหน้าปกโอ้ถูกใจพระประจำวันสาวว้เกิดสมาก็กบอกได้พอถามไปถามมากลายเป็นว่าไม่ใช่พระธรรมดาเป็นหินทรายสีเขียวสูง ร้อยห้าสิบเซนติเมตรร้อยห้าสิบเซนติเมตรหินสายสีเขียวหนะ้าโปลกเนี่ยอายุหนึ่งพันปีบายน์ขอมน่อยู่ประสาทขอมไม่มีนอกพิเศษพันสถานแห่งชาติเลยนะในประเทศไทยนะแต่คนนี้เขามีเขาจะมาถวาย ถามว่าเป็นของใครเขาบอกว่าเป็นของสามีตัวเขาเองตอนนั้นอายุเก้าสิบปีชื่อม่อมปริมบุญนาถม่อมปริมบุญนาถเนี่ยเป็นม่อมของเจ้าของบริษัทภาพยนตร์พระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคน่ะนะ แล้วพระองค์เจ้าพานุพันยกคนเนี่ยท่านตะเวนถ่ายระพยนตร์ทั่วแล้วท่านก็ได้พระองค์นี้จากชายแด น, นประเทศไทยมามีหลักฐานมีอะไรต่างหมดท่านนําให้ดูหินทายนี่สีเขียวเก่ามากและคนธรรมดาไม่มีต้องระดับเจ้านะท่านบอมปริมก็อยากจะมาถวาย ไว้ที่พิธภัณฑ์ของอรรมาเนี่ยธรมา ก, ก็นึกในใจโอ้เรายังขาดองค์ที่มันเป็นแหลนหมายองค์ใหญ่ๆเนี่ยนะอยากได้ก็อยากได้แต่มีประโยคคำพูดหนึ่งก็คือที่ต้องรีบ ม, มาถวายเพราะตัวเขาอายุมากกลัวลูกหลานเอาไปกลัวหลานลูกไม่มีเอาไปขายฝรั่ง แล้วตอนที่มาเนี่ยหลานไปญี่ปุ่นแ อ, อบมาถวายพระอาตอมาก็กลัวว่าหลานกลับมามันจะเอาคืนเดี๋ยวจะได้ดีใจนิดเดียวขนาดนะ่ะพวกยกกลับไปต่อหน้า ต, ต่อตามันจะเจ็บปวดก็เลยทำใจแข็งบอกโยมกลับไปก่อนถ้าจะหวางจริงโยมต้องเขียนไปลายลักษ์อักษรมา เออเล่นตัวนะอยากได้อยากได้แต่ว่ากลัวเขามาทวงทีหลังให้เขียนเป็นลลักษ์อักษรมาว่าถวายจริงแล้วก็ถึงจะส่งคนไปรับเขาก็ลากลับหายไปหนึ่งวันก็แล้วสองวันก็แล้วเงียบ นึกในใจเราไม่น่าส่งเขากลับไปเลยนะสามวันก็หายไปเลยจนวันที่สี่ส่งจดหมายมาว่าถวายอาจะมาจึงให้พระไปรับแล้วก็ไปรับเองมาถามจริงๆเถอะใครจะมาเช่าไปถามเขาจะซื้อไป เขาก็บอกว่าหลานไปบอกขายไว้ให้เช่าเนี่ยสามสิบห้าล้านบาทก็ประมาณหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐถามว่าใครจะซื้อคิงเพาเวอนี่เล่าครั้งแรกนะเนี่ยครับ <c oughs> แล้วไม่ต้องไปบอกใครว่าราคาเท่าไหร่นะ <c oughs> มาเล่าถึงไกลถึงนี่เลยเลนย กบไม่ทันแล้วนะ่ะ โ, โอ้เลยนะไปไหว้ล้วองค์เนี้ยแล้วเราก็มาตั้งไว้แล้วเรียบร้อยแหลนะตอนนี้เราได้เขาไม่อยู่ละวคนซื้อไม่อยู่ฉะนั้น ใ, ในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยประเด็นคือใจเราอาจจะตั้งหลักไม่ทันความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นชกลบ ท่านจึงสอนว่าให้พยายามฝึกใจไว้ให้อยู่กับตัวอย่าให้มันเตลิดเปิดเปิงไปไหนเวลาเกิดอะไรแล้วมันตกใจสมมติเสียงดังเงี้ยบนเราไปคิดที่ไหนมันอะไรตุ้มขึ้นมาอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามใกล้อาจจะช็อกเสียขวัญถ้าเราใจอยู่กับตัวตลอดเวลาเนี่ยเราจะตั้งหลักทัน คำถามในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนเนี่ยใจอยู่กับตัวกี่เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่เราตื่นตีซะว่าแบ่งช่วงเราตื่นเนี่ยนะเรา s u p อาตีว่าคนปกตินอนแปดชั่วโมงเนี่ยสิบหกชั่วโมงที่เราตื่นเนี่ยสิบหกหรือเกินกว่าสิบหกก็แล้วแต่ ใจอยู่กับตัวกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันไม่ได้ล่องรอยไปที่อื่นมีศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดลงทุนวิจัยทั้งสอบถามทั้งโทรศัพท์ทั้งอะไรต่างๆให้คนตอบตรงๆว่าตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ย ใจลอยบ่อยขนาดไหนเยอะมากเลยเ oh. ห็นไหมที่คาว่าใจลอยคืออะไรคือกำลังทําอยู่ตรงทําเนี้ยทําสิ่งนี้อยู่คุยคนนี้อยู่หรือเขียนสื่อหนังสืออยู่แต่ใจมันตืลิเตไปที่อื่น <Okay. S 1> กำลังนั่งฟังพระพรหมประเดีอยู่เนี่นะ ใจกลับบ้านไปแล้วนี่มันจะคันหรือเนี่ยพระจะเยอะเละิกกี่โมงเนี่ยเนอแล้วเมื่อไรจะให้ถามให้ตอบสักทีเลยเนี่ยเว้ย <c oughs> อันนี้เขาเรียกใจหล่อยตะลิง เ, เปิดเปิง <c oughs> ไม่ต้องไปคิดอ่ะหมดสิทธะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ทีนี้เนี่ยก็คือไม่อยู่กับปัจจุบัน <c oughs> แล้วคุยคนนี้อยู่ไปคิดถึงอีกคนหนึ่ง เราฟังเรื่องนี้อยู่ไปคิดอีกถึงเรื่องหนึ่งคือเร่อใจลอยวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยท่านใจลอยกี่ครั้งเขาถามตอบว่าสรุปว่าใจลอยตลอดเวลาที่ตื่นเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็คือสี่สิบเจ็ดเปอร์ซนของเวลาที่เราตื่น มากม น, น, น้อยมากเหรอโอ้น้อยกว่าที่เป็นหรืออะไรจงพูดนี่มันก็ลอยไปเนกันฮะอเหรอมันเป็นอย่างนี้สิถ้าเราทำเรื่องที่เราชอบเราจะอยู่กับเรื่องนั้นอาจจะลอยไปแค่สิบเปอร์เซ็นตของเวลา แต่ถ้าเราทำเรื่องที่เราไม่ชอบอาจจะเกินห้าส <c oughs> ิบเอร์ซน ใ, ใช่ไหม <c oughs> เฉลีย่ยเรื่องที่ชอบเรื่องไม่ชอบในแต่ละวันเนี่ยสี่สิบเจ็ดเอร์ซสี่สิบเจ็ดเอร์ซนสมมติว่าถ้าปัดเศษห้าสิบเนี่ยนะหสิบ็นก็หมายว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงนะที่ใจเราไม่ได้อยู่กับเรื่องนั้น แล้วเราจะฟังรู้เรื่องหรอแล้วเราจะทำอะไรรู้เรื่องหรืออันนี้เขาเรียกว่าขาดสติห้าสิบเห้าสิเอร์ซ็นของเวลาเนี่ยเราตกปัจจุบันตกปัจจุบันก็คือไม่ได้อยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าขาดสติมันถึงทำกรรมฐานไม่ได้พอเราจะพิจารณาภาวนากรรมฐานนะพุโทโธกนดรมหายใจ ห้านาทีสิบนาทีปรากฏว่าอสูวสิบนาทีปรากฏว่าห้านาทีนี่มันวิ่งไปที่อื่นละเฉลีย่ยแล้วอยู่กับลมหายใจแค่ห้านาทีแสดงว่าไม่มีสติฉะนั้นหลักของการเจริญสติคือกรรมกรรมฐานนี่ไม่ได้บอกว่าห้ามใจลอยนะบางทีบางคนปฏิบัติ บ, บอกทำไม่ได้เพราะใจมันลอยแต่จริงๆเขามันยังไงทุกคนก็ใจลอย นั่งฟังตะมาก็ต้องใจลอยแต่หลักอยู่ที่ว่าให้รู้ว่ากำลังใจลอยแล้วดึงกลับมาให้เร็วที่สุดกางขับรถเนี่ยคนมันก็ต้องงอแวกใช่ไหมแต่ทำอย่างไรจะดึงกลับมาตอนนี้กำลังขับรถไม่ใช่ว่าโทรศัพท์กันอยู่อะไรกันอยู่อย่าเ ง, งี้ยพอทหลายๆอย่างนักธุรกิจคนหนึ่งเจ้าของอมตะ คุณวิกมรมกรมดิต์ขาหักแกมาเล่าเองขาหักในบ้านพักตัวเองนี่แหละไม่ได้รถชนอะไรที่ไหนเลยเหตุเพราะใจลอย <c oughs> เดินไปตามสะพานมันมีสระน้ำนะสระน้าริมสระน้ำเ น, นี่ยก็จะมีสะพานไม้โค้งไปตามขอบสระแล้วก็มีทางตรงไปอีก ขณะที่แกเดินไปบนสะพานไม้เนี่ยริมสาเนี่ยมือหนึ่งแกก็ถือโทรศัพท์โทรศัพท์สั่งงานไอ้โทรศัพท์กับคนที่แกอยู่เนี่ยเป็นบ้านพักต่างอากาศแถวเขาใหญ่แกสร้างไว้มือซ้ายโทรศัพท์คุยกับคนแขกที่จะมาเยือนมาพบแกนั่นแหละมือขวาวอกกี้ทอกกี้สั่งงานคน ในรีสอร์ทที่พักเพราะฉะนั้นมันก็ตีกันใช่ไหมเดี๋ยว <c oughs> นยวนอย่างน้นนะแล้วตาแกก็ดูทางเนี่ยที่จะเดินมันเป็นสะพานไม้กว้างทักขนาดนี้เดินตาก็ดูทางตาก็ดูขาก็เดินแกบอกทำสี่อย่างเวลาเดียวกันน่ะขาเดินตาดูโหสอบฝังคนละเรื่องไม่เข้ากับสักเรื่องเดียวอะทีนี้ พอเดินไปเนี่ยมันทางมันจะต้องเลี้ยวสายที่จะต้องเดินจริงๆแต่ขาเนี่ยมันจะตรงหัวสมองก็ไม่ได้สั่งขามันก็เลยเลี้ยวเพามันเองยังไงก็ไม่ทราบเลยข้างหนึ่งเนี่ยลงไปในน้ําน้ําลึกสี่เมตรอะ่ะตกลงไปเนี่ยขาซ้ายลงไปในน้ําขาขวาเนี่ยมันก็จะตกตามแต่ว่ามันไปกระแทกกับขอบสะพาน กระแทกตรงนั้นทำให้น้องเนี่ยหักจมลงไปในน้ำลึกสี่เมตรไอโทรศัพท์ก็หลุดไปส่วนวอลกี้ทอกกี้เนี่ยยังอยู่ในมือแกก็กลัวมันเปียกน้ำก็พยายามเอาวอลกี้ทอกกี้ขึ้นไปวางบนทางเดินก็พอวอลกี้ทอกกี้วางบนทางเดินมือแกก็เลยเกาะของ แล้วก็อีกแล้วก็พยายามพยุงตัวเองขึ้นไปอยู่บนทางเดินปรากฏว่าเจ็บขามากๆขามันหักไปแล้วก็กลิ้งขึ้นมาแล้วก็ตะโกนเรียกคนก็มาช่วยตอนนี้นั่งรถเข็นะกับเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดเพราะสติมันไม่อยู่กับตัวไม่อยู่กับปัจจุบันนั่งฟังดีไม่ดีดตกเก้าอี้เลยเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะประเด็นเนี่ยจะมามาถึงประเด็นละ <c oughs> มีสติสติจะเป็นมอนิเตอร์ตรวจสอบสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงเราจะเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่เราไม่ได้ตรวจสอบเพราะใจมันลอยไปไม่ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถ ปรับใจให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงได้ประเด็นอยู่ตรงนี้คีย์เวิร์ดคือคำว่าสต Mind ิ mindfulness ถ้าเราฝึกสติคือดึงใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันเราจะรู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรมันบวกมันลบมันดีไม่ดีอย่างไรแล้วอันนี้คือสติพอมีสติแล้วสมมติ ถ, ถ้าคนด่าเราคนว่าเรา พราะคนดา่าคนว่าเราเนี่ยถ้าเราฟังอย่างไมิจฉีมันก็จะเกิดเรีแอคชั่น reaction, คือโกรธทันทีแต่ถ้าสติเราจะรู้สติมันมีสองอย่างนะหนึ่งสติคือรู้ทันภายนอกอะไรเกิดเรารู้อันที่สองคือสติคือรู้ทันภายในจิตโกรธก็รู้ว่าโกรธเศร้าก็รู้ว่าเศร้าเซ็งก็รู้ว่าเสงนี่คือสติส่วนมากเราจะไปนึกถึงสติแต่ข้างนอกแต่สติมันมีสองเรื่องเขาเรียกอัจฉติกะภายในกับ ภายในภัยท้ภายนอกถ้าเรารู้ทันทั้งภ า, ายในภายนอกโดนด่าเราก็ได้ยินด่าแล้วเรากโกรธเราก็ได้ยินนี่เรียกว่าสติพอมีสติแล้ว ร, รู้ว่าจิตกโกรธแล้วหรือมีสติแล้วตกใจเห็นอุบัติเหตุแล้วเนี่ยรู้ว่าเราตกใจมันไม่จบแค่นี้การทําใจจะต้องเพิ่มเพื่อไปก็คือว่าเมื่อถูกด่ากโกรธ ถามว่าเราจะจัดการกับความโกรธของเราอย่างไรเราจะปล่อยให้โกรธต่อไปหรือเราจะมีวิธีคิดให้ทุเลาความโกรธที่เราเรียกว่า a n g e management a n g e management ไม่ได้มาจากสติสติเป็นตัว monitor รู้ว่าเรากำลังโกรธแต่ตัว management มาจากปัญญา มันจึงมีสองคำสติกับปัญญาปัญญาก็คือดึงเอาเรื่องในอดีตทั้งหลายมาคิดเพื่อให้หายโกรธ ถ, ถ้าคนด่าแล้วเราโกรธโดยปกติด่าประโยคนี้เราจะโกรธแต่ถ้าเรามีวิธีคิดหักล้างกับมัน มันจะไม่โกรธในในสถานการณ์หลายๆอย่างในชีวิตจริงของท่านเนี่ยถ้าคนมาดา่ามาว่าเรานะเราเราไปคิดตามเขาเล่นเขา เ, เ, เ, เล่นเกมเขาเราก็จะถูกปั่นหัวไปแต่ถ้าเรารู้จักคิดแย้งคือใช้ปัญญาเราก็จะไม่โกรธจะมา เคยเล่าเรื่องท่านนาวาเอกพิเศษอ่อนบุญญพันธ์เนี่ท่านเล่าให้ฟังว่าตอนเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยท่านถูกเพื่อนด่าเรื่อยแต่ก่อนที่ท่านจะพูดอันนี้ท่านบอกว่าท่านท่านจะคุณท่านเล่าให้ตมาฟังเชื่อไหมตั้งแต่ผมเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยไม่เคยมีใครด่าผมตมาบอกไม่เชื่อแต่พุทธยาก็โดนด่าเลยจริงท่านมันไม่มีใครด่าผมเลย ตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆแล้วนะเวลาเพื่อนมันโกรธผมมันไม่เคยด่าผมเลยมันไปด่าพ่อผมด่าแม่ผมท่านก็ตายไปแล้วแต่แต่ผมห้าขวบมันเลยด่าเปรตด่าสัตว์ด่านรกผมไปสองกระจกดูแล้วก็ไม่ใช่ผมการคิดแย้งอย่างนี้เขาเรียกปัญญาในพระไตรปิฎกก็มีบันทึกไว้เยอะมากเลยเป็นตัวอย่างของเอ็เกอร์แมนจ์เมนต์ ที่พรามโกรธภรรยาภรรยาเนี่ยทำให้เสียงานเลี้ยงเพราะว่าภรรยานับถือพุทธศาสนาพรามนับถือศาสนาพรามแล้ววันนั้นวันวันสำคัญทางศาสนาพรามก็เชิญพรามร้อแปดมาและภรรยาก็เอาของไปเสิร์ฟแกถืออีท่าไหนเมื่อตัวภรรยาทำให้จานมันหล่นแตกแล้วก็แกก็เป่งอุทานพุทโธธรรมโสภาคุณพระช่วยอ่ะ ตอนหน้าพรามเยอะๆอะไรพรามเยอะบอกนี่มันบ้านชาวพุทธนี่พวกนอกศาสนาลุกหนีออกจากงานไปเลยสามีโกรธมากแต่ก็ไม่กล้าไปทําอะไรภรรยาเพราะว่าแกกลัวภรรยาแกก็โทษพระสินี่อะไรๆก็ลงที่พระนี่แหละมีปัญหาก็เลยไปด่าพระเจ้าอ่ะว่าพระเจ้าเป็นเหตุไป ที่วัดเลยดา่าเจอพระเจ้ายังไม่ทันอะไรเลยทั้งั้ดา่าเป็นวักเป็นเวนเหมดพอได้ด่าแล้วมึงก็ก็ชักหายโกรธก็เห็นพระเจ้าเฉยก็เลยถามว่าอ้านี่โดนด่าขนาดนี้ไม่โกรธบ้างเหรอพุทธเจ้าบอกไม่โกรธเราทํำไมอ่ะก็จากที่ฟังด่านี่แสดงว่ามีนี้มีงานเลี้ยงใช่ไหมแล้วแขกกลับบมด ของเหลือใช่ไหมที่บ้านเหลือเยอะแล้วใครกินอ่ะแขกเมื่อกี้เรากินเองเหมือนกันแหละพรามคําด่าที่ท่านสรนรัมดานี่คืออาหารที่มาเลี้ยงแขกบังเอิญแขกยังอตมาไม่รับประทานคืนเจ้าภาพการคิดอย่างนี้เป็นปัญญาแล้วแต่ท่านจะเอาเรื่องอะไรมาการคิดให้หายโกรธให้หายเศร้าเป็นปัญญา ท่านยังเรียกว่าสติมาปัญญาเกิดเพราปัญญาเกิดไปแก้ปัญหานะสติมาปัญญาเกิดสติเตลดมักเกิดปัญหาเรื่องมันควรจะจบกลายเป็นเรื่องยุ่งไปอีกน้ำพึ่งยดเดียวสติมาปัญญาเกิดสติเตลดมักเกิดปัญหาทน่นี้คิดสองแบบถ้าเราเศร้าคิดแบบหนึ่ง ถ้าเราโกรธเราเครียดคิดแบบไหนเวลาโกรธเวลาเครียดเวลาเชื่อมั่นตัวเองเกินไปโอเวอร์คอนฟิเดนซ์จิตมันหืดลอยเวลาเศร้าเราท้อแท้เราหมดหวังจิตมันตกสถานการณ์มันทำนะคนเมืองไทยเนี่ยวันหวยออกอมันจะมีสองประเภท ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่พระเจ้ามาก็ไปอยากใส่บาตรหวยกินหมดเนี่ยว่าแล้วออกนะจ้นมันตกไงไม่ทำบุญแล้วอย่าเอาสองกระถินมาชนะช่วงนี้ส่วนไอ้พวกถูกหวยที่แจกไปเถอะโอ้โหฟักใหญ่เลยตอนนั้นเนะกำลังแฮปปี้เนี่ยจีนมันลอยเลยไม่เหลือเงินกลับบ้านน่ะ น, นะะเพราะว่า แจงหมดมันเหินลอยมันไม่ได้มีสติไงมันมันไม่ดีทำคู่ใช่ไหมแทนที่จะประหยัดไว้ไอ้พวกสำล้อนถูกหวะมีตัวอะไรเลี้ยงหมดเลยมันเหินลอยแทนที่มันจะเป็นบาลานซ์กันอย่างนี้มันฝ่ายหนึ่งมันตกเมื่อสถานการณ์มันย่ําแย่ทํำยังไงไม่ให้มันจิตตกเมื่อสถานการณ์มันเป็นใจทํำยังไงไม่ให้มันเหินลอย เราต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้กาลังตกจิตตกเราต้องรู้ว่าเหินลอยนี่คือสติพอเราสร้างสติรู้แล้วทำอย่างไรท่านก็มีสองวิธีถ้าจิตตกให้ยกจิตเรีนจิตตามพิปักคาโหจิตตกให้ยกจิตอุทตธะธสมิงวินิขาโหจิตเหินลอยให้ดึงลงมาแค่นี้แหละเราทำไม่ได้เพราะหนึ่งเราไม่ได้มอนิเตอร์ไม่ได้ตามทันจิตของเรา เวลาที่เราผิดหวังเราเศร้าอย่างเงี้ยเราก็อยู่กับความเศร้าจมปลักอยู่อย่างเง้เนงานการไม่ทำแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตกาลังเศร้าไปหาหมอบอกว่านี่ระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ะไตวันไตรุ่งเนี่ยมันตกนะมันมันยิ่งตายเร็วนะอาตมามีมีพระเทศทางานอยู่ด้วยกันปวดท้องอยู่เรื่อยเลยเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่ในกรุงเทพ หายไปเป็นรองคณะบดีของธรรมารหายไปสักพักเขามานี่มดบอกท่านอาธิการไปเทศงานศพไหนองค์นี้มรณภาพไปเสร็จแล้วที่ปวดท้องเนี่ยนะอ้าวก็ยังมาทํางานอยู่นะเมื่อเดือนที่แล้วครับตายแล้วธรรมาก็ไปเทศให้ก็ไปถามลูกศิษย์ว่าเป็นอะไรท่านลูกศิษย์ก็บอกว่าท่านไปหาหมอ ไปหาหมอแล้วหมอก็บอกลูกศิษย์บอกว่าเป็นมะเร็งอยู่ได้หกเดือนหมอบอกว่าอยู่ได้หกเดือนแล้วบอกลูกศิษย์ด้วยนะหกเดือนอีท่าไหนก็ไม่รู้หมอก็ไปบอกพระด้วยองค์ที่ป่วย <c oughs> จิตตกนะตอนเข้าในเดินปลอกขากลับต้องนั่งรถเข็นนะ่ะวีลแชร่นะกลับวัดนะเดือนเดียวมรณภาพเลย ไอ้ที่หมอว่าบอกว่าหกเดือนน่ะอยู่ได้เดือนเดียวลูกศิษย์ก็ไปต่อว่าหมอสิหมอไปบอกเขาะท่านทําไมเนี่ยแทนที่จะหกเดือนอย่างอย่างที่หมอบอกผงเนี่ยเหลือแค่เดือนเดียวไปบอกทําไมหมอหมอบอกจะไปรู้รรลื้นุกว่าเป็นพระแล้วจะปล่อยวางได้ <c oughs> อัอตมาก็เลยไปกล้าเล่าให้ใครฟังเลยเดีนะ <c oughs> โอ้ที่เมืองไทยนะมาเล่าที่นี่แหละ เพราะที่มึงไทยจะรู้ว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหนใช่ไหมออมาขายลูกายลูกน้องที่นี่กันแล้วกันมันมันอย่างเงี้ยมันตั้งสติไม่ทันนะจิตตกอะ่ะยกจิตจิตลอยลม over confidence บ้าบินดึงลงมาก็คือจิตตกท่านให้ยกด้วยสองเรื่องหนึ่งศรัทธาความเชื่อมั่นเขาเรียก positive thinking อเชื่อว่าเราจะต้องหาย แย่างป่วยในนี้เขาจะมีชีวิตจิตมีอะไรต่างๆยาผีบอกเนี่ยอะไรก็ได้ให้มันมีศรัทธาไว้มันจะได้สู้ะจิตตรงขยกจิตด้วยศรัทธาด้วยวิริยะเจ็บแค่ไหนป่วยแค่ไหนฉันไม่ยอมแพ้ใจเด่นผาตัดก็ผ่าตัดรักษาอะไรก็เอาทั้งนั้นมันก็จะสู้ใจสู้เนี่ยมันยกขึ้นได้แต่อย่าไปทําอะไรรู้ไหมจิตตก อย่าไปทำอุเบกขาเพราะถ้าจิตตกปล่อยเลยตรงหร่ตายดีกว่าในในโมเมนต์นั้นท่านไม่ให้คิดแบบอุเบกขาปล่อยวางมันจะไปกันใหญ่แต่ถ้าท่านเกิดเหินลอยท่านให้ใช้อุเบกขาใครมาชมเลยนะชมแล้วก็เอรอับฟังไว้แล้วก็แย้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพื่อไม่ให้หลง คาลมไม่อะไรต่างๆในช่วงที่เราในโมเมนต์ of victory ในวาระแห่งชัยชนะแห่งความสำเร็จท่านให้เจริญอุเบกขาปล่อยวางหรือทําทำสมาธิดูแลรักษาใจแต่ที่ใช้ได้ทั้งนั้นคือสติกับปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือคิด ให้มันสอดคล้องสถานการณ์เช่นป่วยจิตตกนะจิตตกคิดอย่างที่เรียกกันว่าวิมังสาใช้ปัญญาว่ามันจะต้องมีการแพทย์ต้องมีอะไรที่จะช่วยหมอเขาให้ทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยมันก็จะดึงให้เกิดมีความหวังหรือปัญญาคืออะไรอ่นิจังปล่อยวางก็ได้ ชีวิตมันไม่เที่ยงยิ่งเราไปฝืนมันยิ่งเครียดมาถึงวาระนี้ทําอย่างไรที่จะอยู่กับความสงบปล่อยวางนอะันนี้จังทุกขังอนัตตามันไม่มีอะไรแน่นอนมีใครบ้างที่ไม่จากโลกนี้ไปดีไม่ ด, ดีพอเราไม่เครียดเราอสุขภาพมันจะดีขึ้นไปอีกนะเนี่ยในเรื่องนะันส่วนในโมเมนต์ในวาระที่จิตเื่อนลอย เราก็จะต้องเตือนตัวเองว่าในความสำเร็จมันมาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างมันไม่มันบางทีมันมาจากโชคมันมาจากนูน่นจากนี่หรือมีคนที่ช่วยเราชีวิตคนเรามันไม่ได้มีโชคเสมอไปชีวิตคนเราไม่ได้มีความพร้อมในการช่วยเสมอไปเราไม่สามารถที่จะทำอย่างเดิมซ้ำๆแล้วมันจะประสบความสาเร็จได้ ก็ใช้ปัญญาอีกในแต่สถานการณ์เมื่อเรามีปัญญาหรือจิตตกยกจิตด้วยศรัทธาความเชื่อด้วยวิริยะด้วยปัญญาหรือถ้าจิตเหินลอยก็ดึงลงมาด้วยเบิดขาด้วยสมาธิวางเฉยหรือด้วยปัญญามันก็จะคุมจิตของเราให้พองใสสงบ ในทุกสถานการณ์เรียกว่าใช้ความส ง, งบสยบความเคลื่อนไหวอถามได้ละให้าติโยมทั้งหลายมีโอกาสถามนะครับไม่ลอยไปไหน <c oughs> ท่านถามก่อนสิ จนยังเดียวหน้ามา้าหน้ามะ <c oughs> ยังยังไม่มีความคิดถามเลยยังไม่ยังไม่คิดถาม <c oughs> เปล่าให้คนอื่นอยากถามถาม <c oughs> ไมโครโฟนบบยกมือก่อนแล้วเขาจะได้คุณ <c oughs> ดรนันจะได้เอาไมโครโฟนให้ถามดังๆให้คนได้ยินเลย ขออนุโมทนาการับคุณนนโยมนันทาบุญการนะคะข <Yeah, bye. S 2> อบคุท่านพูดถึงเรื่องออความแก่นะครับแต่ตอนนี้มีความคิดถึงเรื่องคนที่กำลังจะจากโลกนี้ไปนะท่านทำยังไงมีมีวิธีโาะันไหนบ้างที่จะช่วยให้เขา นำนำดวงวิญญาณเขาเนี่ยให้ไปที่สุดเพราะโยมมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่คนที่ใกล้จะถึงวาระสุดท้ายเนี่ยถ้าเขามีความสงบนะฮะมีความสงบเขาจะไปได้ดีนะฮะนี่มีความชื่อส่วนตัวน ะ, ะแต่ทีนี้ทำยังไงท่านมี มีเทพหรือมีอะไรที่จะช่วยให้อตอนที่พี่ชายจะเสียนะฮยวงวิ่งนะคไปหาเทพมาใส่ให้ในหูให้พี่ฟังบอกว่าพี่จะได้ไปดีแต่ตอนนี้ตอนนั้นทําโดยจุดระงุนะับไม่ได้เตรียมตัวไม่ทันแต่ตอนนี้ถ้าหากว่าพวกเรา ได้ของดีจะท่านมานะฮะจะเป็นเทปเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่พวกเราคิดว่าพวกเราคงจอเป็นประโยชน์กับพวกเราตามพุทธันดีนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าอีกกรณีหนึ่งสําหรับพวกเราที่ยังไม่ถึงเวลานะฮะทายังไงว่าเราเวลาเราจะเข้านอนหรือที่ยังไงมีอะไรบ้างที่จะช่วยเพราะเราเป็นพูดนะเราไม่ต้องทาร อย่างโยงเนี่ยไม่ต้องการใช้ยาไม่ต้องการใช้อะไรถ้าเปิดมีอะไรที่ช่วยก็จะขอบคุณมากค่ะมี ม, มีสองสามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นข้อสังเกตก่อนแล้วจะตอบคำถามเรื่องแรกก็คือตามหลักเาหลักาศาสนาก่อนเขาเรียกว่าไอเดีนะ คนทำได้ไม่ได้เรื่องหนึง่งหลักศาสนาเขาให้จากโลกนี้ไปอย่างมีสติสติในที่นี้ก็คืออยู่กับปัจจุบันสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้นึกถึงสิ่งที่ดีงามคนที่จะดับ จะนึกอยู่3เรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องที่1ก็คือเรื่องกรรม2กรรมมนิมิตร3คตินิมิตเขาเรียกประสบการณ์ก่อนตายในทางพุทธศาสนากรรมก็คือการกระทำในอดีตบุญบาปมันจะฉาย แฟชแบ็กเข้ามาในความคิดเพราะตอนนั้นประสาทอื่นมันจะไม่ทํางานมันจะเหมือนคอมพิวเตอร์เวลามันจะดับเนี่ยมันจะอย่างที่เราเห็นเนี่ยประโยชน์เนี่ยมันจะฉายอดีตทีนี้ในขณะที่ฉายอดีตเนี่ยถ้ามันไปฟรีสไปหยุดในส่วนที่เป็นบาปเพราะคนเรามีทั้งบุญทั้งบาปถ้าไปหยุดอยู่ที่บาปเขาบอกว่าจิตมันจะเกาะอยู่ตรงบาปแล้วก็ไปเกิดตามนั้น ถ้านึกถึงสิ่งที่เป็นบุญก็จะไปเกิดตามนั้นนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองให้ถึงนึกถึงนิมิตนิมิตคือเครื่องหมายเป็นภาพเป็นเสียงเช่นนึกถึงว่าเคยไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารไว้ที่ไหน ภาพโบทภาพวิหารมันก็จะมานี่เป็นบุญคนฆ่าวัวฆ่าควายวัวควายที่ร้องมันก็จะปรากฏบางคนร้องเหมือนวัวเหมือนควายมันก็จะมาฉะนั้นถ้าไม่มีภาพเหล่านั้นเขาก็จะให้มีนิมิตคือเสียงจะสังเกตว่าในเตียง คนไข้ที่จะดับเนี่ยถ้าเป็นไปได้เขาจะมีเทปสวดมนต์เสียงสวดมนต์เนี่ยคือให้จิตมันเกาะเกาะกับเสียงสวดมนต์เอาเทปนี่แหละเป็นกลางๆเพราะบางทีเอาธรรมะอะไรแต่เขาฟังมันไม่ถึงขนาดนะั้นแต่พอถึงอีตีปีโซอรหังอะไรต่างมันอยู่ในจิตได้สํานึกเราเปิดเทปอันนี้ช่วยได้มาก เ, าเทปเสียงสวดมนต์ ที่เรามาพูดกันว่าสัมมาอรหังเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่มีเทปก็ต้องเหมือนกับไปสวดให้แต่เดี๋ยวนี้มีเทปแล้วก็เทปเบาๆเปิดอาตมาเห็นหลายครอบครัวเนี่ยเวลาที่โคม่าจะรู้ไม่รู้เนี่ยเอาเทปสดนบ่นเนี่ยช่วยได้มากเลยส่วนคตินิมิตหมายถึงประสบการณ์ของผู้ที่จะจากไปเนี่ยเขาจะเห็นภาพล่วงหน้า ว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนเหมือนกับที่เราเหมือนกับว่าดูเขาเพ้อฝันบางทีเห็นมันเป็นสวรรค์เป็นวิมานเป็นอะไรต่างๆอันนี้ก็มีสามกลุ่มแต่สิ่งที่เราจะช่วยเขาได้คือเอาหนึ่งอย่างในสมัยสําหรับคนที่จิตแข็งเนี่ยความเจ็บปวดเขาสู้ได้ยอย่างอนาถาบินิกะเศรษฐีเป็น เวลาจะดับขึ้นมาปวดมากเลยให้พระเจ้าส่งพระไปช่วยช่วยสอนก่อนดับก็ส่งภาษาบุตรไปภาษาบุตรท่านก็ไปเทศเรื่องอ น, นิจจังทุกขังหน้าตานี่แหละเพราะว่าท่านได้บรรลุธรรมะขั้นสูงแล้วนะท่านปฏิกาเศรษฐีพอพูดเตือนสตินี่เดียวก็ปล่อยวางได้หายทนเท่าไหร่ก็ดับไปอย่างสงบคือต้องดูพื้นเลย น, น, นะฮะ ดูพื้นของผู้ที่จะรับถ้าท่านเป็นหลวงพ่อหลวงปู่นี่มันก็จะง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นญาติที่ห่างวัดสักหน่อยเนี่ยตมาว่าต้องพิจารณาตมาเคยไปเทศที่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อสักยี่สิบกว่าปีมาแล้วก็มีคนถามคำถามเดียวกันนี่ว่าจะได้อยากจะได้เทปธรรมะเอาไปเปิดให้คนไข้ที่อย่างที่ว่าเนี่ย แต่มีคนไข้กลุ่มหนึ่งซึ่งเขามีความกังวลก็คือผ่าตัดสมองเพราะไม่รู้ว่ามันจะได้ออกมาแบบรู้เรื่องหรือว่าตายไปเลยอะไรเงี้ยสมัยก่อนเมื่อ20ปีเนี่ยคนไข้จะกังวลมากพยาบาลหัวหน้าแผนกนี้ก็เลยมาถามมาดามมาว่าจะเอาเอาเอ า, เอาเทปหรือ อ, อะไรต่างๆได้ไปให้ฟังดีแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเคยเอาเทปไปให้คนไข้ที่จะเข้าห้องผ่าตัดสมองเนี่ย เขาไม่ยอมฟังเลยถามทำไเป็นเทพอะไรเขาก็บอกว่าเอาเทพของหลวงพ่อโชโดกเทพสิท ธ, ธิมุนีวัดมหาธาตุไปเปิดเขาไม่ฟังเขาไม่เอาถามว่าเรื่องอะไรเขาบอกว่าเรื่องเตรียมตัวก่อนตายอย่เนี่ยเขามันคนมันทุกคนมันต้องดูคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องสวดมนต์กลางๆเนี่น่าจะ เป็นประโยชน์เดี๋ยวเค้แต่ว่าเขามีพื้นสูงศิริราชนะก็อีกอันหนึ่งเล่าให้ฟังองีกท่านคงคือคนที่มีคอนฟ idence เนี่ยนะว่าเราทำบุญไว้เยอะแล้วเราทำดีไว้เยอะเนี่ยตายไปจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภพพรผมเนี่ยคนเหล่านี้จะไม่กลัวความตาย อย่พระที่ท่านปฏิบัติอย่างหลวงพ่อพุทธทาสอะไรต่างเนี่ยท่านก็นจะพูดเหมือนกันเลยว่าอย่าเอาฉันไปใส่อะไรทุบมากมายอะไรขอตายที่สวนโมกข์ท่านอยากตายอย่างมีสติเนี่ยหลวง พ, พ่อเพื่อท่านท่านก็นสั่งอย่างนี้หลวงพ่อปัญญาณันทะอายุเก้าสิบหกไปเข้าโรงพยาบาลศิริราชติดเชื้อ พอถึงวาระสุดท้ายท่านก็ให้พยาบาลเนี่ยให้พระสิห่ผมผ้าจีวรให้เรียบร้อยแล้วท่านก็ยังมีสติท่านบอกพร ะ, อะบอกพยาบาลไปหยิบปรกคตมาหน่อย พ, พยาบาลเขาไม่รู้จักปรกคตปรคอกอะไม่รู้จักนี่คือที่คาดอย่างนี้พยาบาลก็ถามว่าหลวงพ่อจะเอาปรกคตไปทำอะไร ท่านก็บอกว่าหมผ้าหมผ้าทําไมหลวงพ่อท่านก็บอกว่าลงลมท่านพูดอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ไม่พูดอีกเลยลงลงผมผ้าเสร็จก็นอนอยู่แค่นั้นเน اء, ่ยเขาก็แล้วท่านก็นดับเข้าลงไปเลยนะอันนี้เขาเรียกว่ามันระดับผู้ที่ปฏิบัติมีส ต, ติไงนี่ครีว่าที่มาเป็นระดับที่พึงปรารถนาแล้วก็ท่านกระทํา ก, กันอย่างนี้ อท่านอื่นมาไมโครโฟนมีใครช่วยไมโครโฟนให้เพื่อนคนอื่นจะได้ยิงคำถามส่งให้ท่านดีกว่ามั้งจะได้ไม่ต้องเดินอ่ะมีท่านพูดใใอะไรกอีกไหมครับโนโน่ครับคนะือผมจะกล่าวรประการท่านพระกุญแจครับคือผมมีประการสองสองสองครัง้งนะครับเรื่องที่ว่านีย ทั้งแรกคือพ ญ, ญานุ่มเองนะตอนก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยสามดุไทยเนี่ยเขาโรดลูกชา ย, ยผมเกิดผมก็พอเขาไม่พูดไม่ทำอะไรหมดแล้วเนี่ยผมก็จะเปิดสวดอินิพีย์โซร้อยแปจบแน่ตลอดแล้วก็สลับกับภาษายชิ้อพันชอรู้สึกว่าเขาไปสบาย mm hmm. และมีอีกอีกคนหนึ่งนะซึ่งเป็นเพื่อนผมแต่เขาเป็นคนมุสลิมแม่เขาป่วยหนักมากแล้วก็ รนทุรไลมากตอนใต้การเสียเนี่ยผมก็บอกว่าคุณไปเอาคัมภีร์อากรอุรานมาให้ให้อัดมาแล้วก็ให้ให้ให้เปิดให้ท่านฟังตลอดเขาก็บอกว่าก่อนจะไปเนี่ยสอสามวันสุดท้ายเนี่ยเขาสงบครับอันนี้เพราะว่าอันนี้คื อ, ค, อคือจะเสริจจเนื้อที่หลวงพ่อว่าเรื่องต้องการสวดมนต์นะครับมันเป็ น, เ ป, นเป็นทำให้ทําให้คนเนี่ย สงบลงแล้วก็ไปได้ทีผมว่านนะอันนี้อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมผ่านมานครับจะแชร์ด้วยไหมครับจะพูมีสองประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรื่องแรกทีเ่เกี่ยวกับการทำจิตให้ให้สงบเนี่ยเอ่อก็คือเกี่ยวกับศาสนาความเชื่อด้วย ที่มุสลิมต้องเป็นอันกุรอานมีบันทึกของในอของหนังสือโบราณรุ่นสมัยพุทธเจ้าเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของโสคราติสวาระสุดท้ายของโสคราติสเนี่ยเขาบันทึกโดยลูกศิษย์ชื่อพลาโต ชื่อหนังสือถ้ามีเวลาอ่านนะชื่อฟีโดหรือเฟโดเพราะว่าโสก ร, รติถูกตัดสินประหารชีวิตโดยรัฐสภากรีกเนื่องจากสอนคำสอนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมให้ดื่มยาพิษตายแต่เนื่องจากว่าช่วงที่จะให้ดื่มยาเนี่ย มันเป็นช่วงเขาเรียกว่าเทศากาลไหวพระเจ้าเหมือนเข้าพรรษาเงี้ยสามเดือนจะไม่มีการประหารต่อเมื่อออกพรรษาแบบกรีกโบราณแล้วเนี่ยถึงจะให้ดื่มยาพิษตายลูกศิษย์ได้มาบอกโสคราติสว่าเราหนีคุกกันไหมในช่วงนี้ตั้งสามเดือ น, นให้เหตุผลต่างๆ โซโคลาตินบอกว่าไม่ไปไม่กลัวความตายทำไมจึงไม่กลัวตายเพราะโสคราตินเชื่อว่าตายแล้วจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีกว่าอยู่ในร่างกายที่ชลาภาพ เหมือนกลงขังจิตวิญญาณถ้ามีใครมาปลดปล่อยให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีกว่าเขาไม่เรียกสวรรค์นั้นะโลกแห่งจิตวิญญาณเป็นโอกาสทำไมไม่รีบไปลูกศิษย์ก็ถามแล้วเชื่อได้อย่างไรว่ามันจะมีโอกาสวิญญาณจะได้ไปอยู่ในภพภูมิ นั้นจริงๆโซโคราติสก็ให้เหตุผลเรื่อง immortality of the soul ว่าวิญญาณไม่ดับสลายพร้อมกับร่างกายเป็นอาร์กิวเมต์ในทางเหตุผลที่ทำให้เขาเชื่อในส่วนตัวว่าเขาตายแล้วเขาจะไปได้พบภูมนี้ซึ่งบันทึกอันเนี้ยเป็นรายละเอียดในการสนทนามีคนแปลภาษาไทยด้วยเป็นภาษากรีกก็มีอยู่แล้วชื่อเฟโด เป็นฉากที่งดงามจนกระทั่งวาระที่โสโกติสดื่มยาพิษเนี่ยเขารู้สึกยังไงมันเย็นมาตั้งแต่เท้าตอนแรกเดินก่อนเพื่อให้ยาพิษมันออกฤทธิเ์เร็วจะได้ไม่เจ็บปวดแล้วมันชายัางไงเขาไม่ทึกงปมดเลยไม่มีใครเศร้าเลยในในบรรยากาศนั้นเพราะโสโกติสกาลังจะไปสวรรค์นี่คือความเชื่อทงางศาสนาด้วยก็ว่าได้ไเขาเรียก ฉากสุดท้ายในชีวิตของโซคราติสคือบันทึกเรื่องเฟโดส่วนฉากสุดท้ายในชีวิตของพระพุทธเจ้าถ้าท่านมีโอกาสคลนอ่านบันทึกละเอียดสามเดือนสุดท้ายนะท่านตั้งแต่วันที่ประกาศว่าจะดับจะตายเขาเรียกว่าปรองพระชนมายุสังขารจะไม่อยู่อีกแล้วนี่นะ วันเพ็ญเดือนสามวันมาคะบูชาจนไปถึงวันเพ็ญเดือนหพระพุทธเจ้าทําอะไรบ้างเนี่ยบันทึกไว้ละเอียดมากเลยสามเดือนสุดท้ายบันทึกละเอียดเดินทางไปที่ไหนพระพุทธเจ้าพูดว่าอะไรอย่างไรแม้กระทั่งคือรู้ตัวเองก็จะตา ย, นนะายเนี่ยนะอายุแปดสิบเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ตอนที่เสด็จ คือท่านจะไม่บรรไม่นิพานในเมืองใหญ่เพราะว่าเมืองใหญ่อย่างแคว้นมันคตที่อยู่มานานเนี่ยจะถือโอกาสยึดพระบรมศพยึดอัฐิธาตุไว้ครองคนเดียวแต่ถ้าไปอยู่เมืองเล็กมันจะแบ่งกันนี่คิดละเอียดหมดเลยจึงไปกุสินาราเน่ยเดินทางอย่างเมืองใหญ่เพื่อไปเมืองเล็กอะถ้าเรานึกถึงในอินเดียเนี่ยมันอยู่คนละที่เลยนะ ทิชกูดกับกุสินารานะล้อแลมไปหลังจะออกพรรษาเนี่ยเดินทางไปที่กุสิน า, าเ อ, อไม่ใช่ก็โทษหลังในสามเดือนเนี่ยเดินทางไปที่กุสินาราตอนที่พระองค์เขาบันทึกนะในพระสูตร เ, เรียกว่ามหาปารินิพพานสูตร The Last Days of the Buddha พร้อมกับพระที่เดินตามหลังท่านเนี่ยไปที่ที่เชิงเขาคือมคืคตเนี่ยนะมันชื่อว่า mm hmm. เมืองเบนจากคิรีนครภ mm hmm. ูเขาห้าลูกล้อมเลยเหมือนกันในเรื่องการเมณิดย่ะ mm hmm. แล้วมันจะมีซอกเขาให้คนเนี่ย mm hmm. เข้าออกอยู่ซอกเดียวน mm hmm. อกนั้นเป็นประการล้อมหมดเลย ภูเขาหาลูกและตรงซอกเขาเนี่ยกุญเที่เข้าออกเนี่ยไปค้าขายเนี่ยมันได้บดไปบนหินหินหน้าผาเนี่ยเป็นล่องลึกตามรอยกุญเญเนี่ยจนเดี๋ยวนี้ยังอยู่โบราณในคดีของอินเดียเขาไปปักป้ายไว้ว่าตรงนี้คือรอยเข้าออกของ เกวียนกองคารวานใครไปที่ราชคลึ้นเ่ยไปดูพระมายังไปถ่ายรูปไปเลยเพราะพระพุทธเจ้าเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับจุดสุดท้ายที่จะมองขึ้นมันสูงหน่อยแล้วก็จะพ้นลงไปเนี่ยได้หันไปดูเมืองราชคลึ้เป็นครั้งสุดท้ายเหมือนอำลาภาษาารีงิดงามมากใช้คำว่าปัดฉิมมัทสนามองเป็นครั้งสุดท้าย อยู่มายี่อยู่มายี่สปีสิบเก้ายี่สิปีต่อไปฉันจะไม่อยู่อีกแล้วฉันมองถ้าเป็นคนธรรมดาจะคิดยังไงใน่ในพระสูตรไม่ได้บอกพระเจ้าคิดอะไรแต่ถ้าเขาเรียกว่าปัจฉิ ม, มทัศนะสิ่งที่งดงามที่พระเจ้าได้พูดได้สั่งได้แรงถ่างอยู่ในนั้นหมดเลยคนที่มีสติอย่างยิ่ง ทีนี้ที่ว่าให้เขาปล่อยวางดับไปเมื่อเจ็บปวดบางคนเจ็บปวดทรมานมากทำอย่างไรในญี่ปุ่นเขามีเขาเรียกว่าโรงพยาบาลในสารัฐ ก, ก็คงจะมีแตมาบังเอิญไปที่ญี่ปุ่นไปเห็นเขาจะมีทั้งชั้นเลยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เขาไม่แยกเขาอยู่ในโรงเฮบาลไอฮอสปิตอลนยังเป็นเหมือนกับแยกออกมาไอ้นี่เหมือนกับโรงฮบาลเลยเนื่องจากว่าคนญี่ปุ่นอายุยืนไงเขาจึงอันนี้ที่ว่า่านี่ยี่สสาสิปีแล้วนะเขาทำมาก่อนเลยเขาถือว่าเป็นแผนกหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องทางาศาสนาเข้าไปเกี่ยวในเมืองไทยเนี่ยเราก็ตื่นตัวนะ เมื่อจะมาเป็นอธิการบดีมหาจุฬ า, าได้ให้ทําเรื่องนี้กันอย่างจริงจังสําหรับทางศาสนาเปิดหลักสูตรสักสิปีมาแล้วเปิดหลักสูตรปริญญาโทให้คนมาเรียนกันเพื่อจะปฏิบัติต่อผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือไม่ต้องระยะสุดท้ายก็ได้อย่างทั่วๆไปแต่จะสอนจะทํำยังไงก็ตามเปิดหลักสูตรปรากฏ ว, ว่าคนที่มาเรียนเนี่ยนะ ก็คาดหวังว่าพระจะมาเรียนเยอะปพราะบางไม่ใช่ผู้อยู่ในอาชีพพยาบาลนี่มาเรียนกันเยอะมากเนี่ยเพื่อไปปริบัติต่อคนไข้เลยชื่อหลักสูตรปริญญาโทเดี๋ยวนี้ก็ยังเปิดอยู่นะคนมาขอให้เปลี่ยนชื่อตอนแรกบอกไม่เปลี่ยนหล้วเดี๋ยว ด, ดูว่าจะมีใครเรียนถ้าไม่มีก็จะปิดปบางคนมาเรียนกันเยอะเลยชื่อตรงๆท่า น, นชีวิตและความตาย เป็นรักสูปริญาโทชีวิตและความตายคนก็ยังมาเรียนกันอยู่เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างที่ว่าจากคำถามต่อไปมีคำถามเจ้าค่ะส่งขึ้นมานะครับถามว่าในเวลาที่พระเดชพระคุณพระพรหมบันเด็เองกำลังไม่ส บ, บายหรือเจ็บป่วยท่าคุณท่านมีวิธี ปลอกใจหรือทำใจอย่างไรจ้า ม, มันขึ้นว่าป่วยขนาดไหน <c oughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาจะมาเทศอเมริกาเนี่ยไปตรวจสุขภาพห้องแลบผลเลือดมันก็ออกมาว่าอาตมาเป็นมะเร็งมันขึ้นไปปกติไม่ข้นก้าวเลือดเลยนะแปดก้าอะไรเขามันขึ้นไปตั้ง6กสิบเจ็ดสิบอ่ะ ม, มันก็จำไม่ได้แล้วมันหลายปีแล้วว่าเป็นมะเร็งทีนี้แต่มาก็มีกําหนดว่าจะต้องประเทศที่อเมริกาจําไม่ได้ว่าที่ชิคาโกหรือที่ไหนมันสักสิบกว่าปีมาแล้วก็พวกเราเป็นหนังนี่ควรจะอยู่รักษาตรวจให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วยกเลิกงานที่อเมริกาหรือเราจะต้องไปเทศ พอตรวจเสร็จสมาก็ไปที่มหาจุฬ า, าไปขึ้นบรรยายอย่างเงี้ยปาตระถาอย่างเงี้ยพระเต็มห้องประชุมพูดแล้วคนก็หัวเราะดีใจมีความสุขสมากิก็ลึกในใจนี่เราก็จะตายอยู่แล้วยังจะงหัวเราะกันอีกความรู้สึกจับได้มันนึกถึงคำที่ตัวเองเคยเทศ เราจะต้องมีสติต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่ร้องให้สุดคำรำให้สุดแขนแผนให้สุดปีก The show must go on เทศไปเรื่อยแล้วเสร็จแล้วก็ไปโรงพยาบาลอีกแค่งหนึ่ง second opinion เพื่อให้เขาส่งไปตรวจที่สถาบันมะเร็งที่พยาไทอ่ะนะใช่ไหมเขาจะมีอยู่อันนั้นคอนเฟิร์ม แล้วพอพอเอาเลือดไปเสร็จก็ขึ้นเครื่องมาอเมริกามาเทศอยู่ที่เนี้ย The show must go on เทศตลอดเลยนะไม่รู้ที่ชิคาร์โก้โดยหรือเปล่าเนี่ยก็ทำใจให้มันอยู่กับปัจจุบันเฉพาะหน้าทำงานเฉพาะหน้าพอกลับไปเมืองไทยน่าจะสังจาสิบวันแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเลยมันผิดเออเอออันนี้ก็เอ่อเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือป่วยจริงๆเนี่ยนะ เวลาปวดจริงๆมันจะมีเวทนาคือความเจ็บปวดเวลาเราปวดเราอะไรอยู่เฉยๆมันก็ปวดอะ่ะหมายถึงก่อนที่จะไปหาหมอพอไปมาหาหมอเขาก็จะให้ยาแก้ปวดให้อะไรต่างๆรักษาช่วยให้ทุเราแต่สักพักหนึงมันก็จะไหมแต่มาก็ ในช่วงที่เจ็บปวดเราก็ดูเวทนาความเจ็บปวดให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาไม่เจ็บปวดมันก็ดีอยู่แล้วมันผ่อนมันมีเบรกก็มันเหมือนกับถ้าปวดคิดอย่างหนึ่งไม่ปวดคิดอย่างหนึ่งตอนที่เราไม่ปวดเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่มีคุณค่ามันมีเบรกใช่ไหมมันไม่ใช่เจ็บตลอดนะ คนเราเนี่ยมันจะมียามีอะไรต่างๆที่จะมรรเทาในช่วงที่เราคล้ายๆกับความเจ็บปวดมันถอยไปเนี่ยขนาคนจะตายนี่นะความเจ็บปวดมันยังถอยเลยนะสังเกตไหมก่อนจะดับเนี่ยหน้าตาผ่องใสนะเหมือนไม่เป็นอะไรอะ่ะคุยจ้อเลยเอาตายแล้วเ ข, เขาเหมือนกระเทียนเนี่ยนะโจยๆๆเนี่ยพอมันจะดับเทียนมันจะสว่างพิเศษเลย ขึ้นสุดท้ายอ่ะในช่วงนั้นเนี่ยดูพ่องใสเมื่อก็หายเมื่ อ, อไรต่ะคนเราจะมีวาระอย่างนี้ที่ทําให้ปฏิบัติธรรมะได้ในช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าชั่วช้างกระดิกหงูไอไ อ, องูแลบลิ้นเนี่ยมันได้ประโยชน์หมดทีนี้พอมันมันมีเบรกขึ้นมาตมาคิดยังไง ร, รู้ไหมตมาจะนึกถึงเรื่องสติอ่ะสตคิคืออยู่กับปัจจุบัน คนป่วยถ้าไปคิดว่าแล้วอนาคตเราจะอยู่ยังไงมันก็กังวลจะหายไม่หายอดีตโอ้ทรัพย์สินเป็นแสนล้านเน่ถ้าจะตายขึ้นมาเนี่ยน่าเสียดายเนาะ <c oughs> มันจะพรลุงพลังหมดโหเครียดตายเร็วกว่าอีก <c oughs> ให้เราอยู่กับปัจจุบัน <c oughs> ก็คือในโมเมนต์ที่ที่เราไม่เจ็บปวด เราอาจจะมีวิธีทํากรรมฐานดูลมหายใจกําหนดนึกถึงอะไรต่างที่มันทําให้จิตสงบเนี่ยนึกถึงนิฐานเซนเรื่องหนึง่งอันนี้อจะมานึกถึงตอนที่ที่ความเจ็บปวดมันทุเลาเนยนะเมื่เกิดขึ้นมาเองมันนึกถึงเพราะเราเราศึกษาธรรมะเราจะนึกถึงอะไรขึ้นมาจะมานึกถึงนิฐานเซนที่ตัวเองได้เคยเทศ สอนคนอื่นเขามาสอนตัวเองแต่ที่จริงก็คือทําอยู่แล้วคือเจริญสตินั่นเองนึกถึงนิทานเสร็จเพื่อเพื่อสื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจให้เห็นภาพว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินไปในป่าเสือมาอย่างไหนก็มาไล่ตะครุบวิ่งตามหลังเขาไล่กวดเขาจะกินเขาเขาก็วิ่งอ้าวหนีเสือไป เสือไล่หลังมาไปถึงหน้าผาถ้าวิ่งต่อไปมันก็ตกหน้าผาเขาก็ไปคว้าเถาวันริมหน้าผาที่เห็นอยู่เนี่ยโหนตัวเองลงไปอยู่ห้อยตองแต่งอยู่ที่หน้าผาเสือมันก็มาตะกูยอยู่ข้างบนไอ้ตัวที่ไล่มาจะกัดเขาแต่ว่ากัดไม่ได้เพราะเขาโหนเถาวัน มองไปข้างล่างก็มีเสืออีกตัวหนึ่งตะกุยขึ้นมาจะกินเขาอีกในโมเมนต์นั้นในขณะนั้นเนี่ยเขาทำยังไงโดยข้างบนก็เสือข้างล่างก็เสือแต่มันมีช่วงหนึ่งที่ยังไม่ตายเสือข้างบนก็ยังไม่ได้กินเขาข้างล่างก็ยังไม่ได้กัดเขาเขายังมีเวลาช่วงเวลานี้เนี่ย เขาก็มองไปข้างข้างข้างซ้ายข้างขวาเห็นเถาอางุ่นมันผูกอยู่ใกล้ๆมีลูกองุ่นกำลังสุกพนิพดีเลยเขาก็เอื้อมมือไปเด็ดองุ่นมาใส่ปากองุ่นลูกนั้นอร่อยที่สุดในโลกตั้งแต่กินมาหมายความว่า หล่นลงไปจะตายเมื่อไรเรายังไม่รู้เจ็บปวดที่มันตามมามันยังรออยู่ข้างบนนุ่นมันยังตามไม่ทันแต่ขณะนี้เราไม่เจ็บเราไม่ปวดและยังไม่ตายเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ให้มันเต็มที่เบิกบานกับโมเมนต์นี้ขณะ น, นี้ที่มาพบกันที่มาฟังเทศมาทางทำมาทอดกระถิ่น เราไม่รู้พระเจ้าตรัสว่าอัจเชวะกิ จ, จมาตปังโกชัญญามารานังสุเวททำสิ่งที่ควรทำเสียแต่วันนี้ใครจะรู้บ้างว่าพรุ่งนี้มัจจุราชจะมาเยือนหรือไม่มัจจุราชก็คือเสือที่อยู่ข้างล่างมาไม่มาไม่รู้กินองุ่นไว้ก่อน เลยแนาทีฮะจบก็อยู่กับปัจจุบันไงรอความใจอย่างไม่เศร้ากินงูนไปอาจจะมีลูกอื่นอีกหายไ่กิน มีคำถามส่งขึ้นมาอีกคำถามหนึ่งจะะ้าพระสถานภาพของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งเชิงบวกและเชิงลบเราควรเชื่ออย่างไรหรือเชื่ออะไรจ้าพะต้องถามว่าคําว่าเชื่อตัวนี้เชื่อในฐานะพุทธศาสนิกชนคนนอก หรือเป็นพระคนในที่มีผลกระทบเกี่ยวข้องโดยตรงเรามองสถานการณ์ในบ้านเมืองเนี่ยเหมือนเป็นกระแสทานประวัติศาสตร์กระแสทานประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีเหตุมันมีปัจจัยและ มันมีความยาวของการเวลาเหมือนเราดูภาพยนตร์เนี่ ย, ยภาพยนตร์สมัยก่อนมันเต็มฟิล์มใช่ไหมฟิล์มแต่ละมันจะมีอะไรกรอบเขาเหมือนเป็นตอนตอนตอนตอตอ น, ตอ น, ตอ น, ตอนและเมื่อเอามาเลื่อนไหลให้เร็วขึ้นมาเจ็เป็นภาพเคลื่อนไหวเหตุการณ์แต่ละตอนเนี่ยมันเรียงร้อยเนี่ยและมันเคลื่อนไหว มันจะทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนก็คือภาพยนตร์เป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าเราไปดูกรอบเดียวซีนเดียวเนี่ยมไม่รู้หรอกมันจะต้องดูระยะยาวคาถามถึงถามคำถามบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอะไรหนะักคำตอบคือเราไปเฟรดอยู่ในปีเดียวในสถานการณ์เดียว แต่จริงๆสถานการณ์พุทาสนาในประเทศไทยมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆมันมีวิกฤตมีอะไรต่างๆมันผ่านพ้นผ่านวิกฤตมันพัฒนามันตกมันขึ้นมาลงมันดูระยะยาวและแต่ละเหตุการณ์มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งให้เหตุการณ์ในอนาคตมันเป็นขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองอย่างนี้เนี่ยจะเห็นเป็นเรื่องปกติ แล้วก็ดูว่าในอดีตเนี่ยที่มันเป็นอย่างนี้เคยเป็นอย่างนี้มันมีผลมาเป็นอย่างไรในปัจจุบันและในปัจจุบันที่ม่เกิดขึ้นเราสามารถจะพีจิตได้ในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรซึ่งจะขึ้นอยู่กับตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เข้ามาเกี่ยวข้องตอบได้ว่า เป็นหัวเป็นใ ย, ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เนื่องจากว่ามีตัวละครที่มาเกี่ยวข้องกันหลากหลายตัวละครเหล่านั้นมุ่งส่งเสริมหรือทำลายพุทธศาสนาเราก็ต้องรู้ตรงนี้ซึ่งคนที่อยู่ในวงในจะรู้ว่ามันคืออะไรตมาก็บอกได้ว่าแต่ละคนมีความหวังดีมีความปรารถนาดี แต่ความหวังดีปรารถนาดีมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความพัฒนาสถาพรหรือไม่ก็เป็นเรื่องในอนาคตทีนี้เมื่อแต่ละคนแต่ละฝ่ายมีความปรารถนาดีมีความหวังดีเนี่ยบางช่วงบางจุดในสถานการณ์เนี่ยมันยังพูดไม่ได้แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง ไอ้เาเรียกสถ า, านการณ์มันเปิดโอกาสให้คนพูดกันเช่นมีการเลือกตั้งก็จะได้คุยได้พูดกันตอนนี้ก็ทนดำน้ำไปก่อนเนาเม็ดอากาศมันก็ขึ้นปุ๊งปุ๊งปุงปุเคยเห็นไหมอย่าไปจมน้ำตายก็แล้วกันทนไป ขันติแต่เราจะมามองดูว่าแต่ละฝ่ายแต่ละคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยหวังดีแต่ความหวังดีอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วก็อาจจะวิธีการอาจจะขัดกันบ้างก็คงระยะหนึ่งเมื่อแต่ละฝ่ายจูนเข้าหากันได้คุยกันมันก็จะน่าจะไปในทางที่ดีขึ้น พูดเป็นปริศนาธรรมแค่นี้แหละเหตุการณ์ในตัวมันเองเนี่ยเรายังบอกไม่ได้ว่ามันจะเทเนาไปอย่างไรบางเรื่องในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายแรงเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่พอผลที่ตามมามันออกมาดีเราก็จะลืม ตรงนั้นเพราะว่าสถานการณ์นั้นมั น, ม, นมันเทิร์นเอาไปในทางที่เป็นบวกเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันจะเทิร์นเอาเป็นบวกเป็นลบมันก็ตัดสินกันอีกในอนาคตว่าไอความตั้งใจดีของแต่ละคนในสุดแล้วมันจะเหมือนกับคนหวังดีแต่เหมือนประสงค์ร้ายไหมเวลาที่มีคนถูกลดชนบาดเจ็บ แล้วไป ก, กูลีกูจอช่วยแบกช่วยหามทำให้กระดูกเคลื่อนทำให้เป็นหนักขึ้นไปอีกซ้ำเติมไปก็ได้หรือกลายเป็นช่วยให้เขารอดชีวิตก็ได้ wait and see sit back and relax <c oughs> แถมให้ด้วยอ เชิญนุ่นเขาจะถามก่อนแล้วนุ่นเขาจะจะให้นี่ถามก่อนนุ่นกำลังจะอ่านเอ้าเชิญเชิญเอ้าไมโครโฟนเขงไม่ต้องได้ไงเขาอื่นเขาใช้หมดแล้ว้ที่ได้ฟังข่าวก็คือเจ้าสุขชัยมีพระสามองค์ที่ห้อยของ แล้วก็สังเกตอย่างเช่นเซรีนเนี่ย <c oughs> ก็ต้องสั่งว่าจะต้องขอพระเ <c oughs> รื่อใจแต่นี้พระเนี่ยพระเครื่องเนี่ยบางทีไมโครโฟนไมโครโฟนนั <c oughs> ่นไงว่าแล้วพวกสุภาพบุรุษเนี่ยมักจะเล่นพระเครื่องอแล้วพระเครื่องเนี่ยก็ <c oughs> จะคุยกันว่าโอ้อันนี้ยิงไม่เข้า อันนี้ช่วยหรอดหรืออะไรทํานองนั้นอยากจะถามว่าอันนี้เป็นสายศาสตรหรือเปล่าเกี่ยวอะไรกับหลีเนาะโอซีโอโอพารอดพารอดคือตอบแบบภาพกว้างก่อนนะเพื่อให้เราเข้าใจบริบท พุทธศาสนาในประเทศไทยเราแต่พุทธศาสนาในแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันเหมือนกับทำไมประเทศไทยเนี่ยจึงมีพักเครื่องเยอะเราต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนเสร็จแล้วเราเอาพักเครื่องไปทำอะไรนี่เป็นประเด็นที่สองนี่กำลังถามประเด็นที่สองดูบริบทภาพกว้างอย่างที่ได้เคยตอบมา ก, ก็คือว่า กำเนิดพุธศาสนาเนี่ยอยู่ในอินเดียแล้วจากอินเดียเนี่ยพุทธศาสนาได้แพร่ออกไปสีลังกาไปพมา่าแล้วก็มาไทยพุทธศาสนาในในสามสี่ประเทศเนี่ยมีจุดเน้นไม่เหมือนกันเพราะอะไรทำไมประเทศไทยจึงมีพระเครื่องมาก เพราะพระพุทธเจ้าเองเวลาจะดับเนี่ยอย่างที่ว่าวาระสุดท้ายของพระองค์เนี่ยท่านสอนว่าเมื่อเราดับไปแล้วให้มีที่ยึดเหนี่ยวแทนพระองค์เนี่ยสี่อย่างแล้วแต่ประเทศเนี่ยยึดกันคนละอย่างไม่เหมือนกันแล้วเราจะว่าอย่างไหนดีกว่ากันเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าคุณอยู่ประเทศไหนสี่อย่างมีอะไรบ้าง สิ่งที่เราจะเคารพบูชาแทนผู้เจ้าท่านเรียกว่าเจดีเจดีหรือเจติยะในภาษาบาลีท่านหมายถึงสิ่งที่ควรบูชาแทนผู้ตายจากไปอย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่าพระธาตุเจดีเจดีคือพระธาตุก็คือสิ่งที่เคารพบูชาแทนผู้ตายก็คืออัฐิอัฐิธาตุกระดูกเนี่ย เราจะเก็บกระดูกของบรรพบุรุษเอาไว้ไงถ้าเป็นกระดูกของพระเจ้าเราเรียกพระบรมศารียนิกฐานแทนพทุทธองค์นี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองธรรมเจดีย์สิ่งที่เราเคารพ บ, บูชาแทนผู้ตายก็คือคําสอนของท่านเราเราเก็บคําสอนของพระเจ้าในรูปพระไตรปิฎกนี่คือธรรมเจดีย์ อย่างที่สามเรียกว่าบริโภคเจดีเราเก็บสิ่งที่ผู้ตายเคยใช้เคยอยู่เป็นอนุสรณ์เช่นเป็นครูบาอาจารย์ก็บาทจีวรกุฏิพระพุทธเจ้ายังมีพระคันธกุลีที่เขาคิดจกูดเป็น้าง มีต้นสีมหาโพธิพุทธกยาที่เคยใช้ตัสรู้นี่เรียกว่าบริโภคเจดีย์และสุดท้ายอุเทสิกะเจดีย์สิ่งที่เป็นรูปเหมือนหรือสัญลักษณ์แทนตัวเช่นพระพุทธบาทพระพุทธรูปสี่อย่าง ในสอย่างนี้ประเทศอินเดียโชคดีมีเคยมีพระเจดีพระบรมส า, ารีริกธาตุเยอะมากพระเจ้าอาโศกได้สร้างไว้ตอนหลังเปลี่ยนาศาสนาอื่นก็เลยไปขุดไปคุยแล้วก็ส่งมาประเทศไทยบ้างอะไรบ้างไปลังกาบ้างไปพมา่าบ้างแต่ก็กระจัดกระจายลังกาอ้างว่าโชคดีสุดคือได้พระธาตุเขี้ยวแก้วอยู่ที่คันดีคนไปกราบไปไหว้กันนี่ ท้าเปิดโอกาสให้เห็นไกลๆเนี่ยนะเห็นนิดเดียวเป็นกิโลกิโลเนี่ยนะเพื่อไปไหว้ที่พระธาตุเขี้ยวแก้วอะในเมืองไทยนี่ยังไม่เคยเห็นว่าคนจะเยอะขนาดนั้นเลยที่จะไปไหว้พุทธรูปเนี่เข้าแถวทั้งคืนอะและไม่ได้เห็นข้างในด้วยนะแค่สถูบแค่นี้แหละคนไทยแห่กันไปไปหว้พระธาตุเขียวแก้ว นี่คือพระธาตุเจดีย์พระธรรมเจดีย์ก็คือพระใจบิดกเอะนี่ก็มีแต่ไม่เห็นมีขมาอ่านเลยอันที่สามเนี่ยบริโภคเจดีย์คือสิ่งที่พระเจ้าเคยใช้ปรากฏว่าเราได้โพลังกามาโพอินเดียมาปลูกไว้ในประเทศไทยแต่ทุกวันนี้คนไทยเนี่ยไปพุทธคยาไปบวชใต้ต้นโพกันเยอะมาก และกลับมาปลื้ม อ, อกปลื้มใจคือบริโภคจีดีอินเดียโชคดีที่มีโพพุทธคยาแต่ไม่ใช่ต้นแรกนะนั่นต้นที่สี่ต้นแรกเนี่ยโดนโค่นในสมัยรพระเจ้าอาโศกต้องเอาหน่อมาปลูกที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้นที่สี่สองพันร้อปีมาเนี่ย แต่ต้นที่อยู่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยกลายเป็นอยู่ที่ศรีรังกาอนุราทปุระเป็นเป็นหนอ่อไม่ใช่หนอ่อที่เป็นต่อกิ่งมาต่อกิ่งแล้ว เ, เหมือนกับต่อตานะต่อกิ่งเลยนะเอาไปปลูกที่โน่นในสมัยพศสองร้อยปูเอาจากพุทธคยาไปปลูกที่อนุราอนุราทัุระ โอ้โหท่านยักษ์ก็ต้นโพลปิดทองอะ่ะใครจะเอาเอาเกง่งเอาหนอมาปลูกนอกประเทศต้องมีเซอร์ติฟิเคตนะว่าเอามาจากต้นนี้จริงๆแล้วโพหลักกาเพราะว่าเป็น original, ออริจินอลเหลืออยู่อันเดียวในโลกตอนที่เกิดสงครามทมินเนลบกันเนี่ยไอ้พวกซวยสายบอมเนี่ยเนาะเอารถบรรทุกระเบิดมพุ่งชนเนี่ย ต้นโพนี่แหละแต่ว่าเข้าไม่ถึงต้นโพก็ยังอยู่ทุกวั น, นเขาไม่สนใจพุทธลูปเลยอันนี้ที่พูดมาเนี่เพราะเขามีของดีเขาอยู่ใกล้อินเดียเขาไปไหว้พระธาตุเขี้ยวแก้ ว, กวเขาไหว้ต้นโพพอละคนศีลา ก, กามีไม่หลวงพ่อศีลา ก, กามาแล้วแจกเหรียญเนี่ยมีแต่หลวงพ่อไทยเท่านั้นแหละ ย่าไปว่าท่านเลยเพราะท่านไม่มี <c oughs> ได้แค่นี้ก็ดีแล้วพระรอดพระอะไรเนี่ย <c oughs> พระอะไรถ้าไมีแล้วเขาไม่มาหรอกแม้เขาไม่ไหวเขาไปไหว้โนดพระธาตุนู่นนูน้เขาไปอนิอนเดี ย, ยแต่ครูบาอาจารย์ของเราก็ไม่ได้น้อยหน้าใช่ไหมเดี๋ยวคนไปนอนินเดียหมดไปละกาหมดก็เลยมาสร้างพุทธ ร, รูปสร้างพระพุทธ x จ e r n a ราชเขาเรียกลูกเหมือนเท่านั้นยังไม่พอลอยพุทธบานสระบุรี โอ้ oh, อะไรต่ออะไรนี้ให้คนเนี่ยมาไหว้พระมันเป็นกูสโลบายและพระเจ้าก็สอนไว้ด้วย <c oughs> เขาเรียกว่าอุเทสิกะเจดีสิ่งที่เราเคารพแทนพระเจ้าทีนี้เมื่อเคารพเมื่อไหว้องค์ใหญ่ๆพระพุชินราชจะหิ้วไปบ้านทําไงต้องเอามาอยู่ที่คอไง <c oughs> แต่พอไมาอยู่ที่คอแล้วมันทดลองยิงกันอีกเนี่ย <c oughs> ไอ้นี่มันท่านไมน่ท่านบอกมันเกินไปหน่อย แต่ในมุมมองของพระเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าเราทําตามเจดีนี้นะยศกำรีนะ <c oughs> <c oughs> ต้องนึกถึงพระ <c oughs> เหมือนกับที่ไหวพ้พระพระศรีมหาโพว่าพระเจ้าตรสรู้ตรงนี้ไปไหว้พระอาทิตย์ท่าอะไรต่างเนี่ยมันก็เป็นการนึกถึงทํา <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านมุ่งให้เป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นเจดีเพื่อดึงคนเข้าหาศาสนามิฉะนั้นก็เขาก็ไปศาสนาอื่นหรือไม่ก็ไปประเทศอื่นหมดไง อโบราณอาจารย์ท่านทําไว้อย่างนี้เพียงแต่ว่าตอนหลังเราก็มาเป็นเครื่องรางของครั้งเป็นอะไรเป็นที่พึ่งทางใจอันนั้นก็ก็ให้มันพอดีพองามก็คือพระเนี่ยคุ้มครองแต่คนที่ทําดีเราก็ต้องทําดีเพื่อให้สมกับที่ค่อ ย, อยพระค่อยพระเนาะทั้งสี่องค์ก็ต้องดีพิเศษละเนี่ย <c oughs> <c oughs> แเมื่อกี้ใครจะถามดูเวลาด้วยนะอ่ <c oughs> คือที่อาจารย์บอกว่าคนวิ่งแล้วมันตกไปถ้ามันเจออะไรจะขึ้นจะลงคือผมก็เพิ่งทำงานเสร็จนแล้วพี่เขาก็ยืนคุกกี้ให้ผมอัานเลยแล้วในในไอ้คุกกี้เขาเรียกพอชุนคุกกี้นะเขาก็เขีนไว้ว่า <c oughs> you will out distance a your competition ผมก็อยากให้อาการตีความหมายว่ามันอะไรกันคืนนี้ผมอาจจะนอนไม่หลับเพราะว่าโมพารติชันนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าทุกอย่างบางคั้งตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็สารพัดปัฒนาใช่ไหมเขาใจหมีการแข่งขันแล้วเพราะมันถึงเวลาแล้วนะใช่ไหมเช่แลจับ อย่างที่วอาจารย์บอกว่านที่เขายืนค่ีผมอันนึ่ง้ผมช่วยช่วยเอากระดาษมาหน่อยี่เอาเอากระดาษมาหน่อยธมาแล้วแล้วกระดาษแผนีมันก็เหมือนกับให้ผมขับรถกลับบ้านมเรโอ้เซมซีเซมซีเซมซีเนะ ก็มันดีเนี่ย you w i l o u t distance or your competitor แปลว่าทิ้งไว้ข้างหลังอ่ะนำหน้าไปอ่ะเออเออแสดงว่าโอ้ชนะขาดร้อยเนี่ยนอนหลับได้แล้ววัาอย่างเงี้ย โอ้ไม่ไม่บอกาจารย์ชูบอกเองเดียวว่าให้หวยแล้วคำถามต่อไปถ้าไม่มีคำถามก็จะทวงคำถามข้อแรกที่พี่นันทาถามนะคะว่าพอะคุณพระเอกพระคุณท่านจะมีอะไรให้เช่นเทปหรือซีดีหรืออะไรที่จะไปให้คนที่ใกล้มรณะทำหนัคือเทปของอาตมาเนี่ย ได้พูดได้บรรยายอะไรไว้ในตั้งแต่ออมาวัดธรรมรามบางเรื่องก็ยังอยู่อย่างเช่นเรื่องไตรลักษณ์ในชีวิตประจำวันเรื่องอยู่อย่างไรให้เป็นสุขนะก็รีคอร์ดบันทึกเอาไว้เลือกเฉพาะเลือกทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษลูกศิษย์ก็ทำไว้แล้วก็รวมเป็นแผน่นตอนแรกก็ทำเป็นซีดีนะในแผ่นเดียวกันแจก ต่อหลังคนก็ไปทำเป็นเครื่อง MP3 คล้องคอฟังได้ปีที่ผ่านมาในปีนี้400ห้า4 6 5เรื่องปีหนึ่ง3 6 5วันนะนี่วันละเรื่องนี่เกินปีนะเพราะฉะนั้นฟังให้จบนะแล้วอย่าเพิ่งรีบตาย ไปเรื่อยๆไปเลือกเราคงจะเจอสักเลือกหนึ่งนะสมาชิพูดไว้เยอะมากทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาจีนก็มีเอามามอบวันพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าประธานไม่ใช่ซีดีนเป็นเอ็มพีสามด้วยแล้วแต่ว่าประธานกับรองประธานก่อนใช่ไหมที่เหลือก็คนอื่นก็อาจจะได้บ้างหรื อ, อยังไงแล้วแต่ประธานนะ ไปอ่านต่อเนาะอย่างยังยังขอขอโทษเนี่ยอันนั้นเท่ากี่เรื่องนะเขาให้ดูไหนอันนี้เวอร์ชั่นเท่าไหร่อันนี้สามร้อยสี่สิบห้าตอนนี้สี่ร้อยกว่าเรื่องและยาสามถ้าอันแจมก็ไม่ว่าเพราะไออะไรมันมันจุเยอะมากคง เอาไว้ to be continue อีกจะเพิ่มมือีกมีแจกบางส่วนไม่รู้จะไม่ครบพรุ่งนี้จะแจกจะได้สักเท่าไหร่ก็แจกไม่ครบแต่วันนี้แจก่ครบโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีใครมาเห็นใจการกระถินเขา ก็ต้องเก็บไวพรุ่งนี้ค่ะเพื่อคนที่สนใจนะคะก็คือหน้าที่ให้เสร็จพระคุณพรครูศรีภาวนาวิเทศเจ้ค่ะเจ้แจกทีมโครับเความเออเพลิดเล้วก็ประพับใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ ท่านมาาได้มาร่วมในวิการฟังธรรมในวันนี้เะรเพราะการอย่างที่ได้มีคํากล่าวว่าฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาคนไทยนี่อย่างอ่าใช่แล้วอาาแล้วก็อาจามาไปเคยไปเพิ่งกลับมาจากไปร่วมประชุมสภาศาสนาลโลกที่ททโตเรโต จบหลงเพื่อวันที่จ็ที่ผ่านมาในนั้นมันก็จะมีะเรื่องหลายเรื่องอแต่ก็มีที่สะดุกใจหนึ่งก็คือในเรื่องของบางทีเขาก็เอาเรื่องอย่างเช่นว่าศิละปะในการฟังเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะศิละปะในการพูดอย่างเดียวที่เราจะได้รับผลประโยชน์ก็ได้การฟังอย่างที่เก่าว ในมงคลละสูตนว่าการเรียนนั้นธรรมสว น, นะฮ ค, คือการฟังธรรมเนี่ยมีประโยชน์มากโดยเฉพา ะ, ะท่านที่มีสันธานแล้วฟังได้ดีนะฮะแล้วก็เกิดปัญญายต่อๆไปอีกเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณท่านทั้งหลายนะที่มาแล้วก็ฟังอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะก็เกิดปัญญายาัง หาที่สุดหาประมาณไม่ได้นะในแต่ละท่านที่เข้าใจนั้นก็เกิดปัญญาเกิดขึ้นในแต่ละแต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันสิ่งที่เราขอเป็นสิ่งที่ขอบใจมากๆนะเนื้อประมาณก็คือการที่พระเดชพระคุณพระผอมบัณฑิตที่ในบทสา่ง ได้มาในงานนี้นะฮคือเล่าเรื้องทีไปจากนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณนะฮท่านที่ไปเข็น <c oughs> คื อ, อนี่คุณท่านที่มาคุณที่เปประทานนะฮ ะ, ะคุณแดนซี่ส่วนอดีต ที่ได้ไปนิมนต์ท่านให้ได้มา mm hmm. คืออาตมา ก, ก็ในส่วนตัวก็ยังคิดถึงท่านอยู่เพราะท่านมาไม่ได้มาที่ก็นานมาแล้วแล้วก็การคํงธรรมแต่ละคั้นนี้ก็ถือว่าเป็นพิเศษมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่ท่านได้มาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างมากาเป็นนับว่าเป็นเกียรติในการ ในงานด้วยแล้วก็วัธรรมราที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านเพราะฉะนั้นก็จะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในการในวันนี้ขอขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านเทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ